เพิ่งทราบบุพนิมิตต่อไปว่าคําว่าหมื่นโลกธาตุวันไว้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าพระโพธิสัตว์จะได้สัพพัญญุตญาณจะได้สัพพัญญุตญาณญาณที่แทงตลอดอะไรญาณที่แทงตลอดทุกสมุทัยนิโรธมรณะสัพพัญญุตญาณญาณที่เป็นสัพพัญญูเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสัพพัญญุตญาณเนี่ยมากถ้ามีโอกาสจะได้มากล่าวให้ฟัง มันหมื่นโลกธาตุวันไว้ก็ประกาศว่าพราะองค์จะได้สัพพัญยุตยานจึงก็ได้อาสายธนัญยานทั้งหกนะอาสายธนัญยานหก็คืออะไรบ้างนะอาศยานุสยายญาณอินทริยโปรปริยัติยานมหาการุณาสามาบาัติยานยมกะปาฏิหาริยานสัพพัญยุตยานและอนนาวรณญาณ การประชุมในจั ก, กรวาลเดียวกันของเทวดาทั้งหลายอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการประชุมโดยทํานองเดียวกันนี่และในการยังพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วรับพระธรรมคือหมายความว่าเทวดาหมื่นจั ก, กรวาลมาประชุมกันในแสดงว่าตอนที่โปร่งประกาศพระธรรมจักเทวดามาจากหมื่นจักรวาลเพื่อฟังพระธรรมจักรนั่นเอง ตอนที่ประสูติเนี่ยตอนที่พระองค์ประสูตินั้นพวกเทวดารับก่อนเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์นั้นจะได้รูปประจานทั้ง4ส่วนพวกมนุษย์รับในภายหลังก็เป็นบุพภณิมิตว่าพระองค์จะได้อารูปประจาน4พินที่ขึงสายแล้วก็มีเสียงดังเหมือนกระดิ่งเองเนี่ยนะอันนี้เป็นบุพภณิมิตแห่งการได้อนุปุพผะวิหารธรรมอนุปุพผะวิหารเก้าเนี่ยนะก็ปฐมไฌานไปเรื่อยจนถึงนิโรธสมาบัติเนี่ยนะ กลองที่ขึงหนังดังเองเนี่ยนะกลองที่ขึงเสร็จเนี่ยนะก็เหมือนกับกลองเพลงเป็นต้นหรือว่ากลองยาวเนี่ยนะการที่กลองเนี่ยดังขึ้นได้เองอันนี้เป็นประการประกาศธรรมะเพเรอันใหญ่หลวงประกาศเรียกว่าเสียงกลองแห่งพระธรรมจักรก็บาลือลั่นขึ้นนะนะเสียงกลองหมายถึงพระธรรมจักรพระธรรมเทศนาต่างต่างก็ดังขึ้นป้อมและที่กักขังเป็นต้นพังหมายว่าเครื่องกักขังเครื่องพันธนาการเนี่ยแต่กระจัดกระจายทั้งหมด อันนี้เป็นเครื่องหมายบอกว่าพระองค์นั้นตัดขาดอสมิมานะอสมิมานะเหมือนเช่นกับเรือนขังเหมือนกับที่ขุมขังเนี่ยนะมหาชนหายจากโรคโรคคือความเสียดแทงด้วยความทุกข์ทางกายและใจเป็นต้นอันนี้เป็นเครื่องหมายว่าพระโพธิสัตว์นั้นจะได้แทงตลอดอริยสัจสี่เนี่ยนะแทงตลอดทุกข อ, อริยสัจ ท, ทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจและทุกขะนิโรธาขามินีปฏิปทาอริยสัจ คนตาบอดจะแต่กำเนิดเห็นรูปอันนี้เป็นเครื่องหมายแห่งการได้ตาทิพต์เนี่ยนะหมายความว่าพระองค์เนี่ยจะเป็นผู้ที่มีทิพจักสุทิพจักสุของพระพุทธเจ้าพระองค์จะเห็นเท่าที่พระองค์ทรงปรารถนาส่วนคนหูหนวกได้ยินเสียงอันนี้เป็นได้ เ, เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์จะได้ทิพโสตะหมายความว่ามีหูทิพ์จะได้ยินเสียงเท่าที่พระองค์ทรงปรารถนา คนพิการมีกําลังเนี่ยนะค น, คนพคนพิการก็มีเกิดมีแรงขึ้นมาเนี่ยนะแปลว่าคนเอามาพลิกเอามาพาดลุกเดินได้นี่แปลว่าพระองค์จะได้อิทธิบาทสี่ส่วนคนใบ้จากแต่กําเนิดเกิดมาแบะแบะแ บ, แบมาตลอดนี่ก็พูดได้แปลว่าได้สติปฐานสี่หรืออีกในหนึ่งก็บอกคนใบ้คนหลงลืมน้ำลายไหลยืดเนี่ยนะรู้อะไรซากอย่างเลยนะแล้วก็กลับมีเหมือนกับรู้ตัวขึ้นมามีสติสัมปชัญญะขึ้นมาอันนี้พระองค์ได้สติปฐานสี่ เรือที่ไปต่างประเทศก็กลับถึงท่าโดยสะดวกเป็นบุพนิมิตแห่งการได้ปฏิสัมพิธาสี่แบบไม่ติดไม่ขัดเนี่ยนะเพราะปฏิสัมพิธาเนี่ยไม่ติดไม่ขัดขคล่องแคล่วว่องไวไปหมดส่วนรัตนะส่องแสงสว่างเพชรนินจินดาพลอยทั้งหลายก็ส่งประกายวูบใหญ่แสงสว่างขึ้นมาอันนี้เป็นเครื่องหมายบอกว่าแสงธรรมที่พระโพธิสัตว์จะประกาศแก่ชาวโลกว่าพระองค์เนี่ยจากได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็จะประกาศ ให้เขาเหล่านั้นได้รับแสงสว่างเนี่ยนะได้รับอะไรธรรมะจากสุขอาโลอา่อเรียกว่าโซดาปฏิมาเป็นต้นจะเกิดขึ้นแก่พวกเขาส่วนผู้ที่มีเวนปกติเนี่ยพยาบาทผูกเวนกันมาตลอดก็มีเมตตาจิตต่อกันอันนี้เป็นเครื่องหมายของการได้พรหมิหารสี่ทตุสนะพระองค์ก็จะอยู่ด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขา ส่วนไฟในอเวจีนรกดับลงอันนี้เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์นั้นดับไฟสิบเอ็ดกองคือไฟคือราคาโทสะโมหะพระองค์สามารถที่จะดับไฟคือชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาตได้สําหรับแม้กระทั่งโลกาตันนรกเนี่ยนะที่สุดแห่งโลกมันเป็นนรกอีกชช้นหนึ่งเนี่ยนะก็เกิดแสงสว่างขึ้นเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์นั้นกําจัดอวิชชาได้แล้วเพราะแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์เกิดขึ้น อนนะรอบรู้เท่าที่พระองค์ประสงค์จะรู้น้ําในแม่ น, น้ำเนี่ยไม่ไหลอันนี้เป็นบุพนิมิตแห่งการได้เวสารัชธรรมสี่ปกติถ้าน้ําไหลเชี่ยวกรากเนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมเป็นสิ่งที่น่ากลัวฉันใดแต่น้ําเลิกไม่ไหลปั๊บน้ําสงบนิ่งใสสนิทเนี่ยนะก็มองเห็นก็ไม่กลัวฉันใดอันนี้ก็พระองค์เนี่ยไม่กลัวเพราะพระองค์อยู่ดํารงอยู่ด้วยเวสารัชธรรมธรมที่พระองค์ถึงความเป็นผู้กล้าไม่ครั่นคลาม ส่วนพร ะ, ะทะเลมหาสมุทรมีรสหวานเป็นเครื่องหมายว่าในธรรมวินัยของพระองค์คือของพ ร, พ, พระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีรสเป็นอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นคือรสคือพระนิพพานพ้นจากวัฏทุกข์โดยประการทั้งปวงส่วนเครื่องหมายที่บอกว่าลมไม่พัดเนี่ยนะลมแปรปรวนลมปากของมิจฉาทิฐิเนี่ยถูกทําลายออกไปนั้นก็แสดงว่าลมไม่พัดแปล ว, ว่า ลมปากของมิจฉาทิฐิจะสงบระงับพรนจะสงบระงับดับมิจฉาทิฐิได้ส่วนนกทั้งหลายที่ไปบนดินเนี่ยนะปกติก็อยู่ข้างบนแล้วหล่นมาลงข้างล่างอยู่บนพื้นดินก็หมายถึงมหาชนผู้ฟังโอวะแล้วจะถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะตลอดชีวิตเนี่ยนะผู้ทังสารนังคัาฉามีก็แสดงว่าจะถึงพระองค์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตอุทิศชีวิตแด่พระรัตนตรัยนั่นเอง การที่พระจันทร์เนี่ยนะส่องสว่างมาก น, นะแปลว่าเป็นความงดงามของชนจำนวนมากนะงดงามด้วยอะไรกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตการที่พระอาทิตย์เว้นจากความเาร้อนไม่หนาวเหน็บอันนี้เป็นลักษณะของมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจเพราะมีอุตุสปายะเนี่ยนะ การที่เทวดาประดิษฐานอยู่ที่วิมานประตะูประตูวิมานรื่นเริงปรบมือเพลิดเพลินดีใจเนี่ยประกาศอันนี้มีความหมายว่าการถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งอุทานขออภัยหมายถึงการที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเปล่งพุทธอุทานทั้งหลายเปล่งพุทธอุทานทั้งหลายของพระพุทธเจ้าตามนับแต่ตรัสรู้พระองค์ก็อุทานมาเรื่อยๆใช่ไหมพระองค์อุทาน กว่าครั้ง น, นพระองค์เนียอุทาน80ิกว่าครั้งการที่ฝนตกทั้งสทิศนะนะขณะนั้นก็มีฝนตกขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้เป็นเครื่องหมายของฝนคือพระธรรมใหญ่ตกลงมาพราะธรรมเทศนาเนี่ยตกลงทั่วทิศก็พระธรรมเทศนาเรียกว่าฝนแห่งอมตะฝนแห่งความพ้นทุกโศกโรคเวยภัยอันตรายก็ตกลงมา นะฝนคือพระธรรมเทศนาก็ตกลงมาถ้าเพื่เปรียบแบบคล้ายสมัยนี้ก็เหมือนอะไรนะฝนคือคลื่นก็ตกลงมาเป็นวิทยุปเปิดรับได้หมดเลยอย่างเงีนนะคล้ายนะเปรียบเหมือนเปรียบเหมือนอย่างว่าส่วนไม่มีความหิวบีบคั้นนะไม่หิวก็หมายถึงการได้น้ําอมตะน้ําคือความไม่ตายหมายถึงกายคตาสติหรือจะได้มีกายานุปัสสนานั่นเอง ส่วนไม่มีความกระหายบีบคั้นอันนี้เป็นเครื่องหมายของผู้ที่ถึงความสุขด้วยความสุขแห่งความหลุดพ้นเนี่ยนะสุขแห่งความตรัสรู้สุขแห่งความหลุดพ้นส่วนการที่ประตูและหน้าต่างเปิดเองเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการเปิดประตูคืออรยิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8การที่ต้นไม้ดอกไม้ผลออกดอกออกผลนี้เป็นเครื่องหมายบอกถึงว่าดอกไม้คือวิมุตจะแบ่งบาน วิมุตต์วิมุตต์คือตาทางครวิมุตต์เป็นต้นจะแบ่งบานส่วนความเป็นผู้เต็มด้วยภาระเนี่ยนะนะคือสามัญญผลแบ่งบานด้วยอะไรโสดาปฏิผลบบ่งบานด้วยสกธาคามิผลอนาคามีผลและอรหั ต, ตผลเนี่ยนะมีไม้ดอกไม้ผลเนี่ยนะบานด้วยวิมุตต์หรือว่ามีผลด้วยสามัญญผลทั้งหลายสําหรับที่หมื่นโลกธาตุวันไหวนะหมื่นโลกธาตุขออภัยโลกธาตุเนี่ยนะดอกไม้ในหมื่นโลกธาตุแบ่งบาน อันนี้หมายว่าธงดอกไม้คือพระอริยะเนี่ยนะก็จะเกิดขึ้นหรือธงคืออริยธรรมทั้งหลายมีสติประฐานเป็นต้นจากแบ่งบานอันนี้เรียกว่าสัมหูละวาระรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้เขามีปัญหาถามขึ้นมาว่าตอนที่พระมหาบุรุษประทับยืนบนแผ่นดินบายพระพักไปทางทิศเหนือเสด็จไปได้แล้วก็แปล่งอาสพิวาจาเสด็จไปบนแผ่นดินหรือว่าเสด็จไปบนอากาศพระองค์เนี่ยเสด็จ เรียว่าปรากฏตัวให้เห็นหรือไม่ปรากฏตัวพระองค์เนี่ยเปลือยกายแปล ว, ว่าไม่นุ่งผ้าหรือว่าตกแต่งพระองค์ไปตอนเป็นหนุ่มหรือเป็นเด็กหรือว่าเป็นคนแก่ภายหลังได้เป็นเช่นนั้นหรือว่าเป็นทารกเด็กอ่อนเสียก่อนก็มีปัญหาตั้งกันขึ้นเนี่ยนะพระเถร ะ, พร ะ, ร พ, ระรพระอริยเจ้าหรือว่ากลุ่มพระเถระก็สนทนาขึ้นที่โลหปราสาสที่โนนัที่อนุราธพุระ พระจูฬพยัตระผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ชี้แจงเล่าว่าพระมหาบุรุษเสด็จไปบนแผ่นดินแต่ได้ปรากฏแก่มหาชนเหมือนเสด็จไปในอากาศพระองค์นั้นเสด็จไปเหมือนไม่ปรากฏแก่มหาชนพระองค์นี้เปลือยพระองค์แต่ไม่ปรากฏแก่มหาชนมหาช่อแต่ว่าเปลือยไปเนี่ยไม่เห็นแบบเปลือยแต่เห็นเหมือนกับตกแต่งพระองค์ เสด็จไปด้วยความเป็นทารกเป็นเด็กนั่นแหละมหาชนมองเห็นเหมือนมีพระชนมายุ16ปีพัาอ่า16พันศาแต่ภายหลังก็เป็นเด็กเหมือนเดิมเนี่ยนะไม่ได้เป็นเหมือนกับอายุ16ปีผู้ที่ฟังการแก้ปัญหาแบบนี้ทุกคนก็ดีใจะนะในตอนนั้นส่วนรายละเอียดอีกนัยยะอ่ะนะข้อข้อ27บอกว่า ดูก่อนีิสูจนทั้งหลายธรรมดามีอยู่เพิ่มเติมอีกอย่างนี้ว่าเมื่อใดมารดาพระโพธิสัตว์เสด็จออขอไปเมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาเมื่อนั้นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณย่อมปรากฏในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสัดพร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ แสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายช่องว่างซึ่งมีอยู่ที่สุดโลกไม่ได้ถูกอะไรปกปิดที่มืดมิดก็ดีสถานที่ที่พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านี้ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเห็นปานนี้สองแสงไปไม่ถึงก็ดีในที่ทั้งสองแห่งนั้นแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณย่อมปรากฏแสงสว่างที่ล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลาย ถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่โลกาตันรกเนี่ยนะก็ยังจํากันและกันได้ด้วยอนุภาพของแสงสว่างนั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญได้ยินว่าถึงสัตว์พวกอื่นที่มาเกิดณนะที่นี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะมาเจ็บปวดทุกทรมานก็มีเหมือนเราัเหมือนโลกาธาตุก็ย่อมสันสะเทือนหวั่นไหวสะเทือนสะทานแสงสว่างอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์ ขณนะที่ประสูตรมาในชาติสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้กล่าวเฉพาะตอนรายละเอียดเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นั้นปฏิสนธิในพระคันแล้วก็ประสูตรนะอยู่ในพระคันแล้วก็ประสูตรจากพระคันของพระพุทธมารดาเนี่ยนะซึ่งรายละเอียดก็ได้กล่าวไปแล้วพระองค์นี้ประสูตรขึ้นมาประสูตรมาแล้วพ้นจากทุกโศกโรคเวยภัยอันตรายเช่นใดของเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกเหล่านั้นด้วย บุพนิมิตเครื่องหมายทั้งหลายที่ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าฉันใดขอการตรัสรู้ทั้งหลายเหล่านั้นก็มีแก่พวกเราทั้งหลายในที่สุดวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้